การที่ตัดสรุ้ได้มีอยู่แต่เรากับทิ้งบุคคลเหล่านี้กลับเป็นสาระวนกับคนที่มันแก้ไขไม่ได้อ่ะแล้วมันมันช่วยอะไรได้ไหมอ่สมมุติเราปริมาณทังคนจะบรรลุ ม, มันมีอยู่แต่เรากับทําให้บุคคลเหล่านี้เสียประโยชน์กับการกลายกลายเป็นไม่ได้บรรลุเหมือนกับบุคคลนี้กำลังไปกังวลกับคนนะั้นก็เลยแยกไม่ออกทําไมพระบรมศาสดาจึงไม่ช่วยปทัทบรมา ก, ก่อน เพราะปทาปรมาเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าวตะอยู่ใช่ไหมยังออกบบากวตาไม่ได้แต่อุคติตันยูวิปปิจิตันยูเนายยะเนี่ยมีอยู่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องรีบต้องรีบคัดสันออกก่อนส่วนปทาปรมาก็วางอธัธยาศัยไปให้เว้นปัจกันในพบต่อไปอย่างเงี้ยเข้าใจยังไหมตรงเนี้ยถ้าเรามองตามท่านตามคําสอนจ ร, งจ ร, งจรงิงๆเรายิ่งจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ถ้าให้ขยายสิเหมือนคําบอกว่าเหมือนวันก่อนนี้ที่อาจาบอกว่า ผู้หญิงมีความโลเลห้าอย่างใช่ไหมพอบอกโลเลห้าอย่างโลเลในการแต่งตัวโลเลในการกินอาหารโลเลในเรื่องการเที่ยวเตรลต่างๆโลเลในผู้ชายเป็นต้นเหรอเนี่ยนะพอพูดอย่างนี้ปุบ๊บยอมบอกไม่จริงบอกบอกทำไมไม่จริงให้ผู้ชายนะยอมเป็นโลเลมาเยอะแยะก็ต้องขยายก็ ข, ขยายยอมฟังว่าที่ท่านพูดเนี่ยจริงแต่เราเข้าใจมันไม่ถูก คนบางคนเนี่ยเคยเกิดเป็นหญิงมาห้าร้อยชาติแล้วมาอีกชาตินึ่งมาเกิดเป็นชายเงี้ยนะสมมติเนี่ยนะความโรเลที่เป็นอุปนิสัยปจยัจจัยมันยังไม่หายไปฉะนั้นเมื่อมาเป็นชายมันก็ยังโรเลอยู่ผู้หญิงบางคนเน่ยเขาไม่โรเล่เพราะว่าอัจารัยะใสาจะพ้นจากอัตภาพความเป็นหญิงอยู่แล้วหรือบางทีเขาเพิ่งเป็นชายมาแล้วก็าเพิ่งมาเป็นหญิงอย่างเงี้ยนะเขาพลาดจากกรรมที่เขาทามาอย่างเงี้ยความมั่นคงของเขาก็มีอยู่จริงแต่โดยสรุปแล้วหญิงโรเลกว่าจะ เข้าใจใช่ไหมเราไม่เราเราตึงบอกว่าเหมือนโยมมาคุยกับอรามาไอ้มาบอกโยมโยมเนี่ยตาบอดในอดีต ด, ด้วยตาบอดในอนาคต ด, ด้วยแล้วก็งอนเงี้นคลอนแคลนในปัจจุบันด้วยฉะนั้นโยมไม่เข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรอกพอพูดอย่างนี้โยมก็อุ้มมุนไอ้มาก็อธิบายฝังเอาตอนเนี้ยสมมติให้โยมสมานเนี่ยไปคิดอดีตสมมุติระลึกได้จริงๆนะ เอาระลึกได้แบบสามารถได้ชาติพิญญาเลยอะอะไรมาบอกบอกให้ระลึกได้ทําสมาบัติได้ด้วยแล้วพอระลึกได้เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยระลึกได้หนึ่งชาติจนถึงแสนชาติหรือหรือจากไปจากสิบกลับไปจนถึงสี่สิบกลับเออจากจากแสนชาติไปจนถึงถึงไอ้สิบกลับจากสิบกลับไปจนถึงสี่สิบกลับหรือพวกตึกคิดอดีตนี่นะในสุดแตยอมสมานจะเป็นได้แค่ปุบ พันตกกัปิกาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่เป็นไปในอดีตเพราะโยมสมานจะระ ล, ลึกแบบประเภทอัตตทิฏฐิและสักยทิฏฐิก็เห็นด้วยความเป็นอัตตานี่ยแหละเป็นผู้ระลึกอยู่ยิ่งระลึกมากก็ยิ่งมิจฉาทิฏฐิมากเขาเรียกว่าทิฏฐิคตะไอ้ทิฏฐิขตานี่คือไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะสักยะทิฏฐิธรรมดานะีพอระลึกได้ไกลเท่าไหร่นี่นะ อ้ทิฏฐิขตามันก็วิ่งได้ไกลขึ้นไกลขึ้นนะ่ะเขาก็เข้าใจผิดเลยเป็นสัตตตาทิฏฐิกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเที่ยงเลยอะ่ะพอร ะ, ะลึกไปแล้วมันสุดใช่ไหมเพราะมันระลึกแบบคนมีสักยญาทิฏฐิระลึกอะ่ะพอร ะ, ะลึกไปสุดปุ๊บมันก็ไปเห็นอ๋อเนี่ยเที่ยงอีกกลุ่มหนึ่งเอาระลึกได้อีกเป็นเอกจารสัตตาทิฏฐิเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็พวกอิสระนิ ม, มานะทิฏฐิไงอิสระนิ ม, มานะวาทีบุคคลเนี่ยพวกถือพระเจ้าไง พระเจ้าก็สําคัญเราตนเองในระมิทธก็เลยสำคัญเราตนเองเที่ยงบุคคลที่ตนเองในระมิทธขึ้นไม่เที่ยงใช่ไหมคนที่นับถือพระเจ้าสําคัญว่าพระเจ้าเที่ยงแต่ตนเองนั้นไม่เที่ยงเห็นไหมเทวดาขี้เล่นไม่เที่ยงแต่เทวดาไม่ขี้เล่นเที่ยงเนี่ยนะเทวดาขี้โกรธไม่เที่ยงแต่เทวดาไม่ขี้โกรธเที่ยงเนี้ยหรือพวกนักตึกก็เที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเป็นโทษมคับยิ่งเล่็กก็ยิ่งเป็นโทษ นี่ไงคนเดินวิปัสสนาญาณเดินสมาธิที่ฐิไม่ได้นะนอนอยู่บ้านเฉยๆดีกว่ามิจฉาทิฏฐิยังไม่ค่อยได้กําลังเอาสมมติว่ายังเดินอย่างสมมติโยมส ม, มัยนะผมยังเดินสมาธิทิฏฐยังไม่เคยฟังสูตรเหล่านี้เลยใช่ไหมไปปฏิบัติยิ่งเสียหายไม่เสียหายได้ไงตัวมิจฉาทิฏฐิก็ได้กําลังแนละ้วชิดใหญ่มองเห็นไหมงั้นอยแปลกว่าถ้ายังไม่เข้าใจสมาธิทิฏฐแล้ะมิจฉาทิฏฐิเนี่ย อย่าเพิ่งออกไปปฏิบตัติยิ่งไปปฏิบัติก็ยิ่งพลาดเอาให้สมมุติคิดอนาคตก็เดินไปด้วยถ้าเดินอดีตเนี่ยมันจะมีตัณหาเป็นมูลทิฏฐิตัวนั้นน่ะถ้เาเ ma, ารีเอตังมะม่าตาลบอดีตที่มีตัณหาเป็นมูลเอโสหามาสมิ A so ami, ถ้าคิดอนาคตมันจะมีมานะเป็นมูลเป็นอ ป, ปรันตากาปิกาทิฏฐิไปดูในทิฏฐิสี่สิบสี่ มันจะเป็นที่ถีก้าตายตัวที่ถีก็ได้ช่องวิ่งไปในอนาคตหมาจุดติปฏินที่ว่าเราจะต้องไปเกิดใช่ไหมคนนั้นไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี้เป็นเสร็จเราทํากรรมแบบนี้เราต้องไปเกิดอย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนจริงก็กลายเป็นเราทําเราเป็นผู้เสวยเสียหายอีกทีนี้ถ้าเป็นไปในปัจจุบันอีกนะเขาเรียกว่าไม่รู้อดีตได้นาคตไม่รู้ปฏิจจา ไม่รู้ขันท่าอายตนะที่เป็นไปเขาเรียกงอนเงั่นคลอนแคลนในปัจจุบันเขาเรียกว่าเอโซเมตาตีเนี่ยนะเมเอโซเมตาก็แปลว่ามีทิฏฐิที่มีทิฏฐิเป็นมูลนะก็เข้าใจผิดในปัจจุบันสังเกตไหมว่าถ้าไม่เข้าใจสมาทิฏฐิเนี่ยคิดอดีตก็ผิดคิดอนาคตก็ผิดคิดปัจจุบันก็ผิดไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องปัจจุบันอดีตอนาคตเพราะมันผิดตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ที่ไป่ใคร่ควรแล้ว พรไม่เข้าใจสมาธิทีแล้วอันตรายไหมถ้าศึกษางี้จะเห็นโทษไหมอเอแล้วเราจะทํำยังไงสิ่งถ้าสมมติจะไปปฏิบัติเบื้องต้นต้องศึกษาอะไรต้องรู้จักสมาธิทีไหมต้องรู้จักมิจฉาทีทีไหมต้องรู้จักสมาสังกปะมิจฉาสังกปามสมาวาจามิจฉาวาจาสมารกรรมตามิจฉารกรมตามสมาชีวามิจฉาชีว่ สมาสติมิจฉาสติสมาวยามามิจฉาวยามาสมาสมาธิมิจฉาสมาธิถ้าไม่รู้ก็แค่จบจะไปเดินยังไงเดินสิกขาสาวมดสิเสียเลยเป็นนั่งงงงอยู่นั่นแหละและ้วแล้วมันมันก็ไอ้มิจฉาทิติก็ไปยึดยึดกระถูกเลยดนเดี๋ยวนี้ถ้าถูกเรา ย, ยึดมันเลยนะของกุญแจกูถูกเลยดนเดยนี้เรย่าลืมนะเดี น, นี้โอ้เป็นโทษใหญ่เลยแล้วมันเหลือแค่วิจฉาทิติแล้วได้รับความสบายไหมได้ แ้วทำไมทิงได้อ่โลผ้าโลผ้าชิ้นใหญ่เมืเ่อวันนั้นเกิดโลผ้าละเอียดนี้มั้งมีเลยเนี่ยตรงเนี้ยก็ฉะนั้นปุรุชนเนี่ยนะด้วยเหตุว่ายังกิเลสหนาเป็นต้นมีประการต่างๆให้เป็นไปเป็นต้นพอกําจัดสักยะทิถีที่หนาไม่ได้เห็นไหมถามว่าสักยะทิถีเนี่ยทําไมจึงหนาตอบได้ไหมทําไมตัวสักยะทิถีอัตตาทิถีหรือมิจฉาทิถีทําไมถึงหนายอมนกทําไมถึงหนา อา้าวหนากพราะอะไรอปัจจัยของมิจฉาทิถีได้แก่อะไรอปัจจัยของมิจฉาทิถีก่อนนะปาประมิทกับอะไรอายโยนิโสมนสัสการยี่ไหมปาประมิทกับอายโยนิโสมนัิการการคิดไม่ถูกเนี่ยนะแล้วอีกอย่างก็คืออารามณะปัจจัยหรือที่ตั้งของมิจฉาทิถีมีเยอะไหมยเยอะมากตาหูจมูกริ้นกายใจเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิถีได้ไหมได้ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ จากคุณญานโสตวิญญาณกาณวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณมีที่ตั้งวิชาทิฏฐิได้ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีทตั้งของวิชาทิฏฐิได้ไหมได้โหมดฉะนั้นที่ไปไปไข้ควรขันน่ะถ้าอทิฏฐิไปไข้คว่เจ๊งเลยมันไปยึดน่ะมันไปยึดในสุดอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าเลยอย่างอย่ายึดอย่างนี้เลยอย่างนี้ถูกอย่างอื่นผิดอ๋อผมขนและปันหนังเนี้ยเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นที่ตั้งของไม เห็นไหมขนแล้วปันหนังเนื้อเห็นไหมเนี่ยมันจะเข้าไปยืดหมดแล้วนี่เขาเรียกที่ตั้งของมิจฉาทิฐิลองคิดดูที่ว่าไปสําคัญได้ยังไงว่าผมเนี่ยเป็นของเราถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณนีีแตกดับเร็วไงฟ้าแรกเนี่ยกับความแตกดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณอะไรเร็วกว่ากันอะไรเร็วกว่ากัน พรูปรูปเตทนาสัญญาสังขารสัญญ า, าในแตกดับเร็วกว่านั้นแต่เราทําไมไปยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราได้เขาเรีก็ัยึดมั่นฟ้าแล้วว่ามันมีอยู่จริงไงเห็นไหมชีวิตที่มันผ่านไปทุกๆความคิดทุกๆขนาจิตเนี่ยแต่เราไปยึดว่ามันมีอยู่จริงโดยความเป็นเราทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอยู่จริงแล้วมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุปัใจจัยในการที่เกิดหนุนกันเกิดดับติดต่อกันอยู่ตลอดวเวลา เขาถึงเรียกว่าทัศนาสันตติเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราก็ไม่เห็นใช่ไหม mm hmm. การสืบต่อกันทางตวานตาก็ไม่เห็นทางตะวันหูตะวานจมูกตะวนันลิ้นตะวนันกายตะวันใจไม่เห็นเลย mm hmm. ต้องเหมือนเรามองไปบนหลอดไฟล้วก็เห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็สว่างตลอดเวลาเลยไม่เห็นมันมีการเกิดดับอะไรเลยอย่างเงี้ย mm hmm. นี่เรื่สายตาของมนุษย์ความเข้าใจของมิจฉาทิถีเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่มันไม่จริงแต่มันยึดว่าจริงเข้าใจใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย เอ๊ะศึกษาคำสอนของพระเจ้าละเอียดอย่างนี้แล้วถามว่าน่าคิดไ้ยว่ามันเหมาะแก่คนยุคนี้จริงไหมเนี่ยเหมาะเหมาะหรือไม่เหมาะแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคนเอาที่นั่งอยู่เนี่ยเหมาะไหมเหมาะ <laughs> นึกว่าไม่นึกว่านึกว่าไม่เหมาะจะได้หยุดกันด้วยดีมั <laughs> อ้อยังเหมาะอยู่เนาะตรงนี้ท่านก็บอกว่าเดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนต่างๆเป็นนั้นมาก เพรถูความเร่าร้อนต่างๆเป็นนั้นมากเผาผลาญแล้วก็กําหนัดความอยากเอ่ยยินดีสยบซบแล้วก็ติดห้องพวพันในกามะคุณห้าเป็นต้นคือยินดีเพิดเพลินในรูปเสียงกิรลดเพราะถูกนิวรห้าคือกามะฉันท่ปยาบาทถีน้ำมิถาอุทะจักขุกุจักวิจิกิจช้าเนี่ยอย่างมากเลยนะมากั้นแล้วก็ร้อมขัดขวางปิดปกปิดแล้วก็ครอบอยู่เนี่ยความคิดของเราท่านทั้งหลายเราจะถูกพวกเนี้ยครอบอยู่ กามฉันท่าครอบพยาบาทครอบทีนามิทาครอบแล้วก็ปกปิดไว้ทําให้เราสยบอยู่เนี่ยนะล้อมเราหมดเลยให้สังเกตกดูว่าขณะฟังพระธรรมเนี้ยมันมันมาด้วยไหมทีนามิทามาไหมอุทธเจ้า ก, กุกเจามาไหมวิจิกิชามาไหมการม่ฉันท่พยาบาทหงดหงิดงเป็นบางค้างบางคขาวไหมดูที่เนี้มันมาไหมขณะ น, นี้มันไม่เกรงใจาางพระธรรมโอพระเจ้าเลยประหลาดแท้ ใช่ไหมมันน่าจะอูดไม่ได้แล้วคําสอนของพระเจ้านี่น่าเกรงใจนะที่เลรศมมันไม่เคยมันไม่เคยสอนเลยนะมันก็มาอย่างเนี้ยแล้วก็มาเกิดอย่างเนี้ยเออแปลกถ้าลองเปลี่ยนเรื่องคุยไหมล่ะจะตื่นเต้นเลยแหละจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ตื่นเต้นเดี๋ยวนี้ด้วยโอ้มันแรงมากเลยในตะัวว่ากามฉันท้พยาบาทีนะมิท้าอุธตระกูกุจาวิจิกิจานเขาท่านต้งบอกบอกว่ามันล้อมไว้ขัดขวางได้ปิดปกปิดแล้วก็ครอบไว้ด้วย เหมือนกับที่ว่าท่านอุปมาตัวมิจฉาทิถีเนี่ยหกสิบสองไงเนียมีสักยะทิถิเป็นประธานเนี่ยเราท่านทั้งหลายเหมือนกับปลาอยู่ในหนองไอตัวมิจฉาทิถีเหมือนแหปกคุมหนองทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาปลาจะโผล่ก็โผล่เาติดแหบจะโผล่ก็โผล่เาติดไอ้มิจฉาทิถีคิดอะไรก็คิดแบบมิจฉาทิถิเอานี้โดยสํานวนก็คือนี่ยอมสมานว่าเดินก็เดินในมิจฉาทิถีนั่งก็นั่งในมิจฉาทิถีนอนก็นอนในมิจฉาทิถิกินก็กินในมิจฉาทิถี ดูก็ดูเดินมิจฉาทิฏฐิพูดก็พูดเดินมิจฉาทิฏฐิยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งก็มิจฉาทิฏิแปลว่ามิจฉาทิฏฐิมันปิดในกระแสขันธารยนนาธนะของเราอย่างยาวนานแล้วแม้มาเรียนพระธรรมเอาพอเรียนปุ๊บปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดปุ๊บพอปัญญาดับไปปุ๊บใครเป็นคนเข้าใจเราขึ้นมาทันทีแล้วไป็ู้เข้าใจเห่นไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ย คิอว่าว่าเราเนี่ยถูกแหกล่าวคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยครอบเอาแล้วแล้วมันก็เติดเลยนะใช่ไหมที่ปัญหาตรงเนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องเวลาเราฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่เคยคิดเงยศีรษะออกจากวาตา ก, กันเลยอ่ะทำท่าคิดอยู่นิดเดียวน่าเข้าใจไหมนยก็ยกี่ว่างกันเป็นแถวปเป็นี่ย อันนี้เรียบร้อยรดเรียบร้อยหมดแล้วลองลองลองลองเจอหน้าลองคุยกันดิโอท่านงานยุ่งจริงๆคือมิจฉาที่มันก็กระซิบบอกตัญหาบอกอีเหตุผลเยอะเหตุผลเยอะโอ้งานก็มากไหนจะต้องไปทุระน c ้น r ุ a c t u r i อะไรสารพัดหมดเลยโอ้สารพัดเลยก็อย่างที่ย้อนสมัยมาแล้วก็พอไปถูกแหก็หน่อยก็จมลงอีกถูกแหก็หน่อยก็จมลงอีกเพราะแหมันข้อยู่ ไอ้มีจฉาทิฏฐิมันครอบอยู่แล้วไม่รู้ตัวว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิบางทีไปนั่งคุยกรรมฐานกันเนี่ยมิจฉาทิฏฐิกินกันทั้งกลรวยกันอยู่เนี่ยโอ้โหรวยกันน่าดําตาแดงบงทีศึกษาพระธรรมใช่ไหมพอสมนะาศาสนาก็ดำโตสาสเกินเงต้ยดำให้ทองไปไลยอีกเพราะในขณะที่สาธยาอยู่มิจฉาทิฏฐิมันก็กินถามว่าใครเป็นผู้เรียนเราเป็นผู้เรียนจะมั้ยใครเป็นผู้ท่อง เราท่องใช่ไหยใครเป็นผู้เข้าใจเราผู้เข้าใจใครไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจใครไปปวดหัวเราปวดหัวเ <c oughs> นี่ยมันก็กินอยู่เนี่ยเพราะเราไม่วิใจัยให้ชัดใช่ไหมว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันทํากิจของมันมันจบไปยังไงเพราะตัวปัญญาไม่ได้ทํากิจความเพียรไม่ได้เพี ย, พยพรพยาละสติไม่ตาม เ, เ, เรื่องพยาละความเพียรปิดนั่นมันไม่ได้เพียรทุกๆขณะถ้าลองเพียรทุกขณะมันจะเข้าใจตั้งนานแล้ว ใช่ไหมต้องเพียรเรือร่อยๆทุกขณะต้อเข้าใจตั้งนานแล้วต้ เ, เออนเน่ยสมัยก่อนก็ไม่มีใครบอกให้เรียนแบบนี้ถึงจะเป็นสมาชิกิจถ้าเรียนแบบนี้เป็นพิจารณิติกินตายนะก็เงินเป็นอาลักษะโทรปริปรรยญากันอยู่นั่นแหละจับงูพิษทางหาเพราะจอบไปเสร็จ้หาใบ ป, ประกาศไม่เจอยุ่งเลยอัเนี้กลายเป็นว่าหาให้หาไม่เจอเพราะาไม่เจอขึ้นมาเครียดเลยอันนียโอ้ทาไงเนี่ยพุตสาหสอบทแทบแย่เลยก็ เรียกมาทวนใหม่รือหมดนั่นนะขนาดลืมหมดยังจะเอาใบประกาศอีกก็ก็อลืมหมดแล้วพอไปเขียนไปเขียนชื่อขึ้นมาเลยถ้าใครไม่ไม่บอกว่าจบตรงไหนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยสม่ไหมโอ้ขนาดนั้นเลยอถ้าไปทําบุญถ้าเขาไม่จดชื่อเนี่ยโกรธไหมโหเราทําจกแย่ไม่ยอมจดชื่อเราโหมิชาที่จริงแรงจริงเนาะแรงมากเลยก็คือมันจะต้องเอาเราไปแทรกไว้ให้ได้ คือมันเห็นแตยความเป็นเราเหมดแล้วทีนี้ของที่มันอัตตนิยม ก, ก็แรงเลยเลยเนี้ถ้าสมมตินนะเอาเอาแว่นไปวางไว้ถ้าใครเดินเหยียบนี่โหเหยียบเราเลย <laughs> มันเหยียบของพองเราเลยใช่ไหมถึงบอกโอ้ไม่ไม่ธรรมดาเลยใช่แรงมากแรงมากตรงนี้เราจะถอนยังไงก็ใข้ควรให้ถูกถ้าเรารู้ทีนี้ถามว่าปุโรชนปุโุชนที่ได้สดับก็จะเริ่มฝึกวิจัยโยนมา เหมือนปลาที่อยู่ในหนองก็เริ่มอจะจะแหวกแแออกอยังไงใช่ไหมสัพพัญยตยานนั่นเองวินบกกุกบอกก็คือเปิดแแหก็รู้แล้วว่าจะไม่โผล่ช่องนั้นก็าัยใช่ไหมเพราะสัพพัญยตยานบอกมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองปุ๊บก็เหมือนจะเปิดแให้นี่นี่เราอาศัยคําสอนพระเจ้าไม่เป็นใช่ไหมก็เลยไปกระทงติดแห่อยู่นันไอ้ช่องที่มันไม่มีแแหมันมี ในกรณีที่จะเปิดยังไงเพราะรู้วิธีแล้วไงรู้วิธีวิจัยยังไงรู้วิธีละยังไงรู้ขั้นตอนการไขครัวยังไงเอามาวิจัยในมหาเวทัละสูตรคือมันเป็นอย่างนี้นะในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยที่พระองค์ตรัสนะ่ยสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ปัญญาของเราไม่สมบูรณ์ก็จะอาศักาดีกาใช่ไหมนิ่ไปอยู่หลายหลายสูตรเนี่ยพอไปอยู่หลายหายสูตรแต่เอสุดตายยังไงนะ ที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่แทงตลอดได้เช่นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถามว่าสัมมาทิฏฐิอะไรละเป็นปัจจัยเกิดสัมมาทิฏฐิทีนี้เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าสัมมาทิฏฐินั้นจะเป็นปัจจัยแก่เจโตมุตัญญาอมุตย์ยังไงที่การหลุดพ้นเนี่ยนะเออเขาบอกฟังใช่ไหมฟังก็คือสุตอตะฟังยังไง ฟังแล้วต้องมาวิจัยขันท่าไดายตนาสัจจะอินทรีย์ปฏิจารไม่ใช่ฟังลอยๆอย่างที่เราเข้าใจกันนะฟังก็ต้องมาวิจัยลงสู่ตาหูจมูกเล่นกายใจเอาเมื่อวิจัยเบ็เสร็จเมื่อฟังจนเข้าใจเบ็เสร็จถ้าพระเจ้าตรัสในเรื่องของสติปัฏฐานเอาสติปัฏฐานมาสาขัดฉากนอย่างนี้เขาเรียกว่ า, ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเอากายเวทนาจิตธรรมมาวิ่ัยกันตอนนี้มาวิ่ัยฉเรื่องเวทนาสติปัฏฐานอยู่ใช่ไหม เอาเวตนามาตั้งกวิชัยว่าเวทนาเป็นทุกขศาสัสมาทิฏี่สมมาอวิมภามาสติที่ไปวิจัยเวทนาเป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมตัญหาที่บวกระกรรมในอดีตเป็นต้นบวกระวิชาเป็นต้นที่เป็นปัจัยเวทนาเกิดในปัจจุบันแล้วเวทนาจะเกิดในอนาคตเป็นสมุทัยสัจจ์มรรคศาสตร์เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงนิโรธาสัจจ์นี้เป็นมรรคศาจตรนิโรธาสัจจ์คือความดับความไม่เป็นไปของขันความไม่เป็นไปของตัณหาเป็นนิโรธาสัจจ์ พอไปวิจัยแล้วก็สอบสวนกันในรักนี้เขาเรียกว่าสากัะฉาถะ้นการที่เรามาวิจัยในลักษณะอย่างนี้จะเป็นปัจจัยการบรรลุก็ฟังแล้วเนี่ยต้องมาวิ่ัยการวิ่งไฉเบเสร็จไม่ได้เป็นปัจจัยการบรรลุทุกวันนี้เขาไม่ได้ทํำกันอย่างนี้ไงอันนี้ในสูตรเลยนะที่ท่านบอกว่าอย่างเนี้ยอัปการต่อมาก็คือว่าปูดุชนเนี่ยนะมีสองยมพวก พระบรมาศาสดาซึ่งเป็นเผ่าพันธุของพระอาทิตย์ตราถึงบุถุชนสองจำพวกคืออันธาบุรุชนแล้วก็อัตกริยาณบุรุชนในบุคคลทั้งสองจำพวกนั้นน่ยไม่ได้เห็นภาริยาเนาะแต่คําว่าปุรุชนนั้นท่านหมายถึงอันธาบุรุชนนะที่ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพริยะอริยนังอรทัศวีเขาแปลว่าพระพุทธเจ้าพระปจเจกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกเนี่ยเรียกว่าภาริยบุรุชนกล่าวคืออันธาบุรุชนนั้นเพราะเป็นผู้กายจากกิเลสขออภัย พาริยาคือพระพุทธเจ้าพระประเจ้พุทธเจ้าลและสาวกพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเล็ดเพราะดำเนินไปเพราะไม่ดำเนินไปสู่ทางที่เสื่อมเพราะพระองค์ว่าดำเนินไปสู่มรคตปฏิปทาที่ถูกต้องเนี่ยเนาะก็เป็นที่พึ่งของโลกและเทวโลกเป็นต้นได้เพะนั้นพุทธเจ้าตัดเรี่ยงพาริยาทีนี้คําว่าไม่เห็นเนี่ยผู้ใดเนี่ยนะบุคคลใดมีปกติไม่เห็นภาริยะและไม่ทําความดีในการเห็นภาริยาฉะนั้นบุคคลนั้นแปลว่าไม่ได้เห็นภาริยะการไม่เห็นเนี่ย ในใ น, ในการเห็นเนี่ยมีอยู่สองอย่างไม่เห็นด้วยจักษุและไม่เห็นด้วยญาณ น, นะในสองอย่างนี้ในทีนี้ท่านประสงค์เอาไม่เห็นด้วยปัญญายานนะถามว่าบุคคลแม้เห็นภาริยาทั้งหลายด้วยมังสาจักษุและทิพย์จักษุก็ไม่เป็นการว่าเห็นเลยเ อ, เอาเอางี้เดรัจฉีเนี่ยที่มีทิพย์จักษุเนี่ยเขาเห็นพระพุทธเจ้าไหมเห็นไหมทั้งๆ ท, ท, ที่เขาสามารถมองระลึกอดีตได้อนาคตก็ได้ แต่เขาไม่ได้เห็นภาริยะเลยเพราะเขาไม่ได้หมายเอาการเห็นด้วยจักษุแต่เขาหมายการเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยญาณคือปัญญาเห็นธรรมของท่านน่ะตรงนี้เราก็จับประเด็นได้เลยว่าการเห็นพระพุทธเจ้าในการเห็นภาริยะเนี่ยท่านหมายถึงการเห็นด้วยเห็นอริยคุณของท่านเห็นสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรพราพโธชงคดีมักเนี่ยการเห็นในลักษณะนั้นก็เรียกว่าเห็นภาริยะทีนี้ก็มาเข้าหลักที่เราศึกษาในเรื่องของเวทนาเนี่ยนะ ในเวทนาหรือปัสนาสติปัฏฐานเราตามไปดูทั้งที่แล้วเราพูดในเรื่องของอิสาเมิยะแล้วก็พูดในเรื่องของปียาปียะอารมณ์เป็นที่รักและไม่อารมณ์ไม่เป็นที่รักแล้ข้อที่สามก็พูดเรื่องฉันท้าคือความพอใจข้อที่สวิตกความตรึกข้อที่ห้าพูดเรื่องปัปัญจะทำทำที่เป็นเครื่องเนื่นช้าสรุปก็คือว่าทั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงข้อที่หนึ่งสองสามสี่ข้อที่ห้าจบแล้ว อทบทวนนิดหนึ่งทบทวนข้อแรกก็คือว่าอิสาเมฉริยะอิสาคืออะไรคือความริษยาเมฉริยะคือความตนมีทําไมท่านเท้าสาก่าจึงถามปัญหานี้กับพระพุทธเจ้าทําไมจึงถามเอาทําไมจึงถามเหตุผลที่ถามก็เพราะว่าเท้าสาก่าบอกว่าถ้าแต่พระองค์ผููนี้ละทุกขคำอันนี้นละทุกนีไไ่แปลว่า นิราทุกนี่แปลว่าอะไรฮะผู้ไม่มีชาติทุก์ไม่มีชราทุกไม่มีบารณะทุกไม่มีโศกกาทุกเป็นต้นใช่ไหมพระเจ้ามีทุกไหมพ้นจาทุกเลยอย่างแล้วทำไมเทวดาจึงเรียกกันว่าข่าแต่ท่านพ้นิราทุกข์กันเลยแม่เทวดาก็ใช้สอบนี้นะเทวดาที่ท่านใช้คำอันนี้นิราทุกเพราะท่านพ้นจากทุกในอบายกับทุกในมนุษย์ แต่ไม่ได้พ้นถาวรนะท่านถือว่าท่านพ้นแล้วพ้นระดับหนึ่งๆเนาะอย่างเราเนี่ยคุยกันเราเรียกว่าข้าแต่ท่านพ้นนี่แหลทุกได้อย่งอางอไปเจอหน้ากันก็พูดอย่างนี้บ่อยๆก็ดีข้าแต่ท่านพูดอย่างเราบอกเวลาเราไปทําวัดเราไปสวดมนต์ ว, น ว, น ว, นวัดกันเราถูกความทุกข์ย่างเอาลงแล้วนะียเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วสลดไหมฟังคํำนี้ เราเนี่ยถูกชาติทุกอย่างลงแล้วถูกชรลาทุกอย่างลงแล้วถูกพยาธิทุกมาแล้ะทุกอย่างลงแล้วถูกความโศกอย่างลงแล้วถูกปริเทวะทุกขาดโทมานัสตะอุปายาตอย่างลงแล้วอาแล้วฟังทําไมเฉยๆนะปัจจุบันนี้เราก็ถูกชาติทุกชะาทุกพยาธิทุกมาแล้วทุกอย่างลงเนี่ยแล้วฟังก็ไม่เฉยๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะและจะมีทุกเหล่านี้เป็นไปในเบื้องหน้าด้วย คือไปเนะี่ยไปเกิดใหม่ก็จะไปเจอทุกเหล่าเนี้ยแล้วแล้วรู้สึกสะ ด, ดุ้งสะเตือนไหมเรื่อยเฉยเฉยจะให้ทํำยังไงก็ว่าก็มันมันเป็นแบบนี้ก็ก็เพียนเต็มที่แล้วก็ที่จริงคํำนี้คําหน่าสลดใจเพราะเราถูกชาตทิทุกอย่างลงแล้วใช่ไหมแล้วทําเช่นไหนอ่ะถึงจะทําที่สุดถึงทุกเหล่านี้ได้ทําเช่นไหนเราจะเบื้อทุกเหล่านี้ได้ก็เนี่ยต้องศึกษาพรทําให้เข้าใจมันจะได้เบื้อทุก การศึกษาคําสอนกันฟังคําสอนนี่เข้าใจเพื่อจะเปลื้องชาติทุกชร า, าทุกพยาธิทุกเนี่ยตอนนี้กําลังทํากิจในการที่จะเปลื้องกันอยู่ใช่ไหมวันหนึ่งทํากี่รอบนี่ตรงเนี้ยวิจารยากี่รอบนานๆครั้งที่จริงความความสะดุ้งสะเทือนน้อยยิ่งเนาะที่ว่าบางบางคนก็คิดว่ามันแก้ไขได้อะถ้าป่วยก็ไปครับหมอหมอก็ไปไปรอด หมอก็ไปไม่รอดหรอกเจ้าที่อาตมาเล่าไปปั๊บไงหมอเป็นโรคไตก็ราะอาตมาเนี่ยรักษาท่านเี้เป็นซะเองแล้วต้องไปเปลี่ยนไตใช่ไหมเพอาะเปลี่ยนไต เ, เสร็จแต่นเนี้ยก็เครียด ผ, ผ, ผลปรากฏที่ไตมันค่อยเสื่อมไอเตอมใหม่ๆก็ยังโอเคอยู่ใช่มไหมตอเก้าวๆเพราะคีนินมันขึ้นมาสองขึ้นมาสามแลจะจะยุ่งเลยจากเริ่มเครียดแล้วหมอยังไม่เป็นหมอเลยทั้งทั้งที่รู้เนี่ยนะวางใจไม่ได้เครียด นะข้าวนะข้าวเขเรียบร้อยนี่เป็ น, นยังมันหมอคนหนึงเป็นมะเร็งแต่ก่อนเนี่ยมานึกว่าหมอคงช่วยเราได้หมดนะไปเห็นหมอเป็นมะเร็งแบบหมอกไม่เอ า, เลาลออแล้ ว, ลวปออเป็นมะเร็งโอยุ่งนอนข้แมวก็แมวอยู่อล้วบอกว่ายุ่งแล้วก็หมอยังจะเป็นมะเร็งนีนใจเนี่ยเลยที่แรกก็เนี่ตอนนั้นไปคุยกับหมอพกจิตเวชไปคุยหมอโรคจิตน่ะเขาียตัตัวเองกันบ้า <laughs> ก็ทีนี้ทีนี้อามาก็ยังาตัดก็ยัต้องไปปรึกษาจิตเวชหมอเนี่ยไนปะจิตเวชเนี่ย๊อเข้าไปเสร็จคุยสักพักหนึ่งเราก็าได้คำของมันเป็นตามขั้นตอนต้องไปอยู่แล้วใช่ไหมพอคุยสักพักหนึ่งหมอบอกเกลียดเหลือเกินเมือนพคุยกับท่านก้อยจัวก็เอามาก็เลยบอกว่า บอกที่แรกการมาก็บังหมอเินที่พึ่งต้องลำบอกอะไเนี้ก็ซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วก็ก็ไม่รอดเห็นไหมว่าจริงๆแกแกเครียดเพราะวันหนึ่งแกต้องดูแลคนไข้เป็นร้อยคนไข้มีปัญหาหมดเลยอ่ะแกบอกแกเครียดแกแล้วที่ประหลาดที่สุดตอนนั้นมาผ่าตัดแกเครียดทีไรแก็แวะไปคุยกับหมาเลยหมา เราก็ลองคุยปลอบใจกันมัน้งเฮ้ยเคเครียดจริงนะเอแปลกฉะนั้ น, นกรณีในลักษณะนี้ว่าบางทีมันเป็นสูตรของเขาในการที่ถ้าเป็นแบบนี้ต้องแก้อย่างนั้นเป็นอย่งางนั้นแก้อย่างนี้ว่าถึงต้นเงแก่ไหมแก่เรียแก่อย่างไรใช่ไคือ <I like S 1> คือบอกคนอื่นนะไม่รู้แก้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้สูตรว่าอย่างนี้ใช่ไหมวิชาเกี่ยวในเรื่องของจิตเวชเนี่ยเ้าก็ยังมีสูตรของเขาในการบอกคนไข้บอกบอกไปใส่็จเขาก็ยัมียาให้กินใช่ไหมก็มีแค่นั้นแหละ แต่นั่นไปนั่นมาหมอเคียติยบอกเลยตรงนี้ที่บอกว่าข่าแต่พระองค์ผู้ในระทุกพวกเทวดาแล้วก็อสูรหนาคนทันมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจชลลมนั้นส่วนมากเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอชาชญาไม่มีศัตรูเนาะไม่มีพยาบาทย่อมปรารถนาว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรก็พวกเขามีความประสงค์อย่อยางนี้ฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้มีอชาชญามีศัตรูแล้วก็มีความพยาบาทแล้วจองเวรกันอยู่ตามพระเจ้าตามพระเจ้า ว่าเอเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาในการมีเวรมีอาชยามีศัตรูมีพยาบาทกันก็ทุกวั น, นยังดูจิมนุษย์ก็ปรารถนาความสงบกันนะเนี่ยแต่ทำไมมันสงบไม่ได้ก็ยังจองร้างจองผ่านกันยังปะทุสลายซึ่งกันและกันอยู่ยังเบียดเบียนกันอยู่เพราะอะไรพระเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนจ อ, จอมเทพมนุษย์ปรารถนาอย่างนี้จริง ปราถนาอยากก็ได้ความสงบปราหนาอยากได้ไม่จองเวรไม่พยาบาตรไม่ปัสสาวะไล่กันก็จริงทั้งๆ ท, ที่ใจก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะมนุษย์ยังละอิริศยากับความทะนีไม่ได้อิริศยาและความทะนีที่มันฝังแน่นในกรมลสันดานของสัตว์นี่แหละมันเป็นปัจจัยให้สัตว์นั้นทั้งๆ ท, ท, ที่อยากจะสงบมันก็ไม่สงบไม่อยากจองเวรมันก็จองเวรไม่อยากประทาวะไล่มันก็คิดปัสสาวะไล่อยู่นั่นแหละ พรามันถอนริมในใจออกมาไม่ได้ก็คือไอิสสาแล้วก็ลิษยาไอ้ความตนีนี่แหละริษยาความตนีถามว่าลิษยาเนี่ยลิษยาเนี่ยมันมีความลิษยาในทรัพย์สมบัติและคุณความดีของบุคคลอื่นเห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันทนไม่ได้ไอ้ตัวริษยาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ไอ้ตัวตณีใช่ไหมไอ้ตนีก็คือมันหวง หัวของของตนเองเนี่ยไม่ปราถนาแม้ตั้งที่ของตัวเองไม่ไม่ได้ใช้แล้วยังห่วงเลยขนาดไม่ใช้เนะยังห่วงอยู่เลยคิดอย่าไว้ดูไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยทําให้สัตว์โลกนั้นขัดแย้งกันแล้วจริงไหมลน่ะก็ขัดแย้งกันอยู่พระเจ้าก็ตรัสไว้ตั้งสองพันกว่าปีแม้มันไม่เรียนคำสอนพระเจ้ากันม่าขัดแย้งกันไปก็แบ่งกันไหมใช่ไหมจ๊ะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะนั้นนะต่ออยู่ ตั้งแต่สองคนเงี้ยไปไมันขัดแย้งอยู่คนเดียวยังทะเลาะกันตัวเองเองี้ยนะลิสยาและความตนหนีเนี่ยมันก็ขัดแยง้งแล้วมันไม่ไม่สงบหรอกแต่ถ้าต้องการอยากสงบอยากไม่ขัดแยง้งไม่พยาบาทไม่จองเวน้นซึ่งกันและกันก็อถอนในลิสยาและความตันหนีเอเลยถ้าถอนออกได้มื่อไรเราสบายแล้วเดี๋ยวนี้ตรงนี้นี่แหละเขาต้งบอกว่านั่นคือความลิสยาและความตันหนีมันเป็นปจัจจัยให้ความขัดแยง้งไอ้ตรงนี้ยอมมองเห็นชัดไหม เห็นช like? uh, ัดไหมความฤทธิ์ยาความตนีเนี่ยว่าขัดแย้งยังไงเห็นชัดไหมชัดยังไงความตนีเนี่ยถ้าถามบอกว่าฤทธิ์ยาและความตนีเนี่ยเป็นเครื่องผูกพันไหมความฤทสยาและความตนีเนี่ยนะมีความสิ้นไปของสมบัติของคนอื่นเป็นลักษณะความตนีมีความทนไม่ได้ต่อความที่สมบัติของตนไปเป็นของทั่วไปแก่บุคคลอื่นเป็นลักษณะไหม ผู้มีความเลสยาและความตะนีเป็นเครื่องผูกพันไว้เพราะความเลสยาความตะนีเป็นเครื่องผูกพันเขพวกเขาเขาไว้นี้เป็นความยอดในที่นี้นะแต่บอกว่าความตะหนีเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความตะนีเนี่ยความตะนีเป็นเป็นไปกับโทษาเนาะล้วกรรมเหล่านี้ถ้าให้ไปเกิดก็ไปเกิดเป็นยักษ์บ้างบางทีก็ไปเกิดเป็นพวกเปรตเป็นต้นบ้างเนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าในขณะที่ บางทีก็จะหนีพราะตระกูลบางจะหนีเกี่ยวลังืงลาบสการะเป็นต้นเหล่าเนี้นะผู้ที่เกิดมาตัหนีในลาบหรือบางทีผู้ที่เกิดตัหนีในลาบของสง์หรือของหมู่บริโภคเหมือนบริโภคส่วนของบุคคลที่เกิดเป็นยักษตายไปเกิดเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นงูเหลือมบ้างอะไรต่างเหล่านี้ก็ความตันีนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความตายดังนั้นในรายละเอียดได้กล่าวไปแล้วเนาะสรุปตรงนี้ก็คือว่าอะไรเป็นปัจจัยแก่ความตันหนีท้าสกา ก, ก็ถาม พู้ไเจ้าก็บอกว่าอารมณ์มันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักคือความลิสยาและความตณีนั้นมีอารมณ์มันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นอะคัมเนิดเป็นแดนเกิดเพราะมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนั้นเองความตนียิ่งเกิดขึ้นและความลิสยายิ่งเกิดขึ้นนี้ท้าสกาก็ถามต่อไปบอกว่าอะไรละเป็นปัจจัยเกิดให้มีอารมณ์มันเป็นที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งใงความรักและความไม่รักพู้ไเจ้าบอกชันทะในความพอใจ มีเป็นสมุทรไทยเป็นกําเนิดเป็นแดนเกิดฉะนั้นเมื่อมีฉันท่าคือความพอใจแล้วเนี่ยอารมณ์เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักก็มีเป็นต้นเห่านิดท้าวสกากรว่ถามต่อไปว่าอะไรลี่เป็นปัจจัยเกิดฉันท่าฉันท่าในที่นี้ก็คือพวกตัณหานะฉันท่าที่เกิดร่วมกับโลภะนะไม่ใช่ฉันท่าที่เป็นไปในกุศลเป็นฉันท่าที่เกิดร่วมเป็นกับโลภะนั่นแหละท้าวสกากรว่ถามต่อไปว่าอะไรเป็นปัจจัยเกิดฉันท่าที่เป็นไปในอกุศล เขาพระเจ้าก็บอกบอกว่าดูก่อนจอมเทพความพอใจเนี่ยมีความตรึกความตรึกเป็นเหตุมีความตรึกเป็นสมุทรไทยมีความตรึกเป็นกําเนิดมีความตรึกเป็นแดนเกิดตรึกในที่นี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิตกที่เป็นไปกับโลภะวิตกที่เป็นไปกับโทสะวิตกที่เป็นไปกับการขาดกรุณาในวิตกเหล่านั้นนั่นแหละนี่ท้าสก า, าก็ถามต่อไปบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยเกิดความคิดเรื่องเนี้ย คิดเรื่องการคิดเรื่องพยาบาทคิดในเรื่องของขาดการกรุณาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยทําให้มนุษย์มีจิตใจร้ายกาจขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนเท้าส ก, กัดจอมเทศสัญญาณประกอบไปด้วยป่าเป็นจะทำอันนี้ก็คือทำที่เป็นไปทวนเนื่นช้าตั้นหามาละทิฏฐินี่ยก็มาเข้าไอส้สกญาณนี่แหละทิฏฐินี่แหละตรงนี้นี่แหละเป็นปัจจัยทําให้ทําให้การคิดผิด สรุปอย่างนี้ไงมิจฉาทิฏฐิไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะไอตัวตัณหาตัวมานะโดยสรุปก็คือเอตัมมามานี่แหละทิฏฐิที่มีตัณหาเป็นมูลเอโสมีเอโสหามัสมีทิฏฐิที่มีมานะเป็นมูลแล้วก็เอโสมีอัตตาเนี่ยนะทิฏฐิที่มีทิฏฐิเป็นมูลสรุปแล้วก็คือว่าตัณหามานะทิฏฐิที่ประกอบกับสัญญา ที่เป็นไปในส่วนของปะปัญธรทำนี่แหละเขาเรียกทำที่เป็นเขีหตุใงความเนื่องช้าอาถามว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วมิจฉาทิฏฐิจะเป็นปัจจัยแก่อะไรมิจฉาสังกปะใช่ไหมไอ้มิจฉาสังกปะก็เลยเป็นปัจจัยเกิดชันท่าคือความพอใจฉันท่าความพอใจก็เลยเป็นปัจจัยเกิดชอบใจแล้วไม่ชอบใจชอบใจแล้วไม่ชอบใจก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรีให้เป็นปัจจัยอะไรให้เป็นปัจจัยแก่อิสาและลิษยา อิสรลิลิสยาก็เลยเป็นปจัจจัยแห่งการบัดทุสไลแห่งการพยาบาทแห่งการอาฆาตแห่งการจองเวรมองเห็นได้ย่างเดีเนี้ยทีนี้ท่านลายคาสอนใช่ไหมเอาความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรการยกพวกตีกันการขัดแย้งกันทั้งหลายเนี่ยมันมีอิสระลิษยาเป็นเหตุอิสรลิษยามีความพอใจมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักเป็นเหตุ อารมณ์เป็นที่รักแล helmet, ้วาอ atory, รญญญารมณ์ไม่เป็นที่รักนั้นมีฉันท่าคือความพอใจเป็นเหตุฉันท่าที่อยู่ในโลภะนะฉันท่ามีกามวิตกคือการคิดผิดเป็นเหตุการคิดผิดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุข้อแรกสัญญาที่เป็นส่วนของปปัญญธรรมเห็นไหมว่ามิจฉาทิฏฐินี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาเวลาพระองค์นีสแสดงก็แสดงมิจฉามะมิจฉาทิฏฐิแล้วก็กลุ่มตัณหากลุ่มมานะเขาเรียกว่าสัญญาที่ประกอบกับป่าปัญธรรม ทำที่เป็นไปในสวนการเนื่นช้าเนื่นช้าในที่นั้นเขาเรียกว่าทำมาที่ขยายอะไรขยายวตาขยายตาหูยมูกลินกายใจเขาใจไม่เยอะเอาตาหูยมูกลิงายใจมันน่าจะจบสัชาตินี้ก็หมดกันใช่ไหมแต่มันไม่หมดมันขยายต่อไปเพราะอะไรเพราะข้อห้านี่แหล ะ, ป, ะปัจจัยทำเนี่ยทำเครื่องเนื่นช้านี่แหละมันก็เลยจะต้องไปรับตาหูยมูกลินกายใจอีกยาวนานในสังสารวัตรชอบไหมอัตตาหูยมุกลินกายใจของมนุษย์ชอบไหม ยังดีหน่อยไหมถ้าเทียบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกอบัยวสัตว์อัะไรเดียวกันฮะของมนุษย์ดีกว่าเนาะถ้าเป็นมนุษย์โรคเรือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยในดียวกันสัตว์เดรัจฉานตัวอย่างสวยงามเลยแล้วเป็นมนุษย์โรคเรือนเนี่ยในเดียวกันให้บางคนไปเลือกสัตว์เดรัจฉานสมมติว่าเอาไปเกิดเป็นหมีในสวนสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่ไอ้ที่เป็นโรคเลือนเป็นมนุษย์โรคเลือดพิกลพิการขอทาน อ้าวในเดียวกันนะสุภาพพทธาไปโรคเลือนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนะี่ยไม่มีสัตว์เดรัจฉานบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะเข้าใจยังคนละอยากคนละมุมเลยอะคนละเรื่องกันเลยแต่แต่คนไม่ค่อยไปชอบไปดูคนไปโรคเลือดหรอกคนอบไปดูหมีเห็นไหมว่าสัตว์เดรัจฉานนั้งที่แย่มันนั้นตรงนี้ก็เนี่ยธรรมะที่ขยายตาหูจมูกเล่นกายใจก็เนี่ยสัญญาที่เป็นแบบ ประกอบกับปัญญาธรรมประกอบกับตัณหานรรณัฐิีตรงนี้ก็ให้เข้าใจคําสอนนี้นะเราจะเห็นว่าเออเส้นทางเนี่ยมันต้องเดินลงเดินขึ้นนะเราต้องรู้โ อ, โอสัญญาที่เป็น ป, ปัญญาธรรมคือตัณหารนรรณัฐิีเนี่ยนะตรงนี้นะนนนะมีความตึกที่ผิดพลาดเป็นเหตุเพราะการมโนตกเป็นต้นการมโนตกเป็นต้นก็มีฉันท่าคือความพอใจในตนัณหาแต่ฉันท่าที่ประกอบตัณหาเป็นเหตุฉันท่านี้ก็มีปิยาปียะเพื่อร่วมเป็นที่รักและไม่ไม่เป็นที่รักเป็นเหตุ อารมณ์เป็นทีรักแล้วไม่เป็นดี่รักก็มีอิสสาริษยาเป็นเหตุเมื่อมีอิสสาริษยาแล้วแต่เนี้ยการห้ามหันการการประทุสลายการการเบียดเบียนการการคว้าปาการการตะโกนด่ากันการแยกพวกยกพวกตีกันก็เกิดขึ้นใช่ไห้ย๊ะเลยแยกประเทศเลยแต่เนี้ยนี่ปัญหาตรงเนี้ยปัญหาอยากแยกประเทศกับปัญหาอิสสาริษยานี่แหละและอิสสาริษยาก็มีพวกเนี้ยอารมณ์เป็นที่รักแล้ไม่เป็นที่รักนี่แหละเป็นเหตุอารมณ์เป็นที่รักแล้ไม่เป็นที่รักก็มีความฉันท่า ที่เป็นไปกตัญหาเป็นเหตฉันท่กาก็มีการมีการมวิตกเป็นเหตุเป็นต้นวิตกเหล่านี้ก็มีปะปัญยาธรรมเป็นเหตุปะปัญยาธรรมนี้นี่คือมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมไอตัวสักกายทิฏฐิอัตตทิฏฐิเนี่ยน่าเกลียด ม, มากใช่ไหมถ้ามันมีอยู่ ถ, ยถ้าไม่รีบถอดออกเมนะื่อไหร่นะสัตว์โลกไม่มีการสงบสุขหรอกนั่นข้าวนั่นข้าวก็จะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนในส่วนยี่ก็ห้ามหันกันน่ากลัวไหมล่ะแล้วอย่างเราเลยถอด ต, ตัวนี้ออกได้ยังไง ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปเป็นพวกกับเขาเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่พวกนั้นพวกนี้แล้วเข้าก็นั่งรุนเป็นพวกที่สาม <c oughs> มีมีคนก็าถามมาจมาบอกเยศถ้าเราไปนั่งนั่งพอใจอ่ะบาปจะตกถึงเราไหมหรือไม่พอใจเนี่ยจริงๆการคิดต้องพิจารณากรรมให้ชัดในชะเราเคยเป็นแล้วเราจะต้องไปเป็นถ้าเรายังตรงนี้ต้องชัดมั่งอย่าลืมนะว่าเราก็ยังไม่พ้นนะแล้วเรามีโอกาสที่จะต้องไปเป็นอย่างนั้นด้วย นี่จบแล้วตรเนี้ข้อที่ห้าต่อไปขึ้นเวทนาแล้วเห็นไหมกว่าจะมาถึงเวทนาที่เราจะเรียนกันเนี่โอใช้เวลานานมากใช่ไหมใช่นี่เข้าใจแล้วนะนี่สรุปเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นนะเอาต่อไปขึ้นเวทนาอ่านเวทนาหน่อยที่สมนณะเวทนาใสาเรือนแล้วไม่ใสเรือนนะแล้วก็สมนะโทมนณะแล้วเวขาข้อที่สองรอยห้าสิบ็ดก็อ่านใี่บ้างหน่อยดิเอาว่าไป